ชื่อเดิมชื่อโกริตตกับสดสดทิตตะอะไรสักอย่างนี่โมคละนะก็เป็นชื่อของโคดถ้าธรรมาจะไม่ผิดนะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีฉายาเรียกเท่านั้นเองบางทีก็เรียกชื่อโคดก็ได้เรียกโดยชื่อก็ได้คืออนุญาตให้เรียกกันเพื่อเป็นไปตามพุทธวจนะที่บอกว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ออกบวชจากเรือนละชื่อและโคดเดิมเสียงใช่ละชื่อและโคดเดิมเนี่ยหมายความว่า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 ผู้<ช>ที่เป็นพระอุปชาหรือเป็นพระผู้ใหญ่ที่จะร่วมวัดด้วยก็ไม่ลำบากใจว่าสอนยาก<ช>สอนไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็นี่จะเป็นข้อปฏิบัติของวัดสายปฏิบัตินะถ <c oughs> ้าในเมืองก็อาจจะบวชแล้วก็อ่าอ่าเป็นเนรแล้วก็บวชเลยค่ะคือถ้าแต่พูดถึงถ้าถามคําถามในรายการนี้ก็ต้องถามเกี่ยวเนื่องกับคําสอนที่เป็นพุท ธ, ธวจนะเป็นความรู้ที่จําหลักมา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 เป็นการยกตัวอย่างที่ดีมากนะคะเพราะบางทีก้นบุหรี่เล็กๆเนี่ย<อ>ทาให้ไฟไหม้ขนาดใหญ่ได้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยไหม้มาแล้วที่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรประมาทสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์นั้นทรงเน้นให้ความสําคัญเรื่องความไม่ประมาทขนาดไหนฮะขนาดก่อนจะปฏิทิพผ่านอย่างพูดความความว่าไม่ประมาทก็สำคัญขนาดไหนก็แล้วกันอ๋อครับ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 เป็รียวกว่าปัจชิมวาจ า, ร า, จ, ารจริงๆ<ช>ก็ยังสั่งด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพูดแค่นี้น ะ, ะลงท้ายด้วยพวกเธอจนถึงพร้อมจนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วเขามาเติมว่านี้เป็นปัจชิมวาจาของพระพุทธเจ้าคำเนี้นพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแต่ว่าพระพุทธเจา้าจบแค่คําว่าไม่ประมาทเถิดไม่ประมาทในอะไรคะถ้าความหมายนี้โอ้โหมันคือรวมทุกอย่างคําว่าไม่ประมาทเนี่ยนี่เป็นเป็นคําว่าเป็น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 พอดีพดีคงจะต้องนัดกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์เพ บ, บุญอภิปุณโนโว้ในโอกาสนี้ค่ะใช่ท่านดุลันธ์ท่านฝังที่เคารพคะและสำหรับพวกเราทุกคนนะคะก็ขอให้น้อมนําเอาคำสอนของพระพุธองไปใช้นะคะจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวสตีค่ะ